กันเช่นเคยนะคะกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ได้ฝากกับคุณสัชิธรกวางขทติโลกไว้ให้ช่วยดูแลรายการส่วนอักษรนะคะในช่วงวันพฤหสัสบดีค่ะเนื่องจากว่าดิฉันติดภารกิจที่สําคัญนั่นก็คือเกิดกระทันหันนี่ยนะคะคุณแม่เสียนะคะก็ต้องไปจัดการงานศพให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมและะ้วค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์ที่สุดเนี่นะคะ ก็เพิ่มเอคุณแม่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมดิฉันก็เลยกลับไปที่นั่นแล้วก็ไปดูแลจัดการให้เรียบร้อยเลยไม่มีเวลามาดูแลรายการสวนอักษรต้องฝากคุณสัชทอนกวางขดิโลกนะคะให้ดูแลแทนหนึ่งอาทิตย์ต้องขอขอบพระคุณคุณสัชทอนมากค่ะปกติคุณสัชทอนนะคะจะช่วยดูแลทางด้านเสียงเพลงนะคะหรือว่าเพลงบันเลงเพราะๆที่จะมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ถ้าฉุกเฉินหรือว่ากระทันหันดิฉันก็จะขอ ให้เธอช่วยอ่านหนังสือในรายการส่วนอักษรให้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและทุกวันพฤหัสบดีดิฉันอัญชีสาเลขิดที่ลุงเรืองกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะก็ไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์คิดถึงนะคะแต่ก็จำเป็นจริงๆที่จะต้อง หยุดเพราะว่าการเดินทางย้อนไปย้อนมานั้นไม่สะดวกนักแล้วก็ต้องยุ่งกับการจัดงานพธิธีศพต่างๆนะคะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของดิฉันที่ได้มีโอกาสได้จัดพธิธีนี้นะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่แล้วเศร้ามากตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่นะคะแบบเป็นความสูญเสียเพิ่งพ่งรู้ว่าเวลาที่เราสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักไปเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะคะแบบเศร้าที่ที่สุดเลย ก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ค่ะว่าใครที่บุคคลอันเป็นที่รักยังอยู่บุคคลที่เราเคารพรักนับถือยังอยู่ก็ดูแลแล้วก็ทนุถนอมท่านให้ดีๆนะคะเอาใจใส่แล้วก็ปฏิบัติท่านอย่างดีที่สุดค่ะสําหรับผู้ที่สูงอายุอยู่นะคะก็อย่าประมาทหรือว่าชล่าใจ มันตรวจสุขภาพบ้างอย่างน้อยปีละครั้งนะคะจะได้ตรงไหนเสียจะได้รีบซ่อมแซมก่อนที่จะซุดหนักลงไปนะคะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยก็เป็นเขาเรียกว่าสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายต้องมีเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราจะเตรียมใจหรือว่าเตรียมร่างกายของเราที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมีฉันก็โชคดีที่ได้ศึกษาทางธรรมะมาบ้าง ช่วงที่คุณแม่จะเสียเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะคะก็ได้พยายามให้ท่านนึกถึงพระนะคะนึกถึงพระแล้วก็พูดกับท่านแล้วก็หาเทปธรรมะให้ท่านฟังแล้วก็มีการนําใจท่านนะคะให้เป็นสมาธิพยายามให้ท่านนึกถึงพระแล้วก็ท่องสัมมา阿拉หังนะคะสัมมาอ阿拉หังสัมมาอ阿拉หังสัมมาอ阿拉หังจนคุณแม่ท่านค่อยๆหลับตาอย่างช้าๆแล้วก็ ไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาอีกเลยแต่ดิฉันก็ยังภูมิใจที่ได้ศึกษาธรรมะได้อ่านหนังสือพระพุทธศาสนาเยอะๆนะคะก็เลยพยายามที่จะน้อมนำใจของคุณแม่ให้ไปสู่ในสิ่งที่ดีให้มีสุกติเป็นที่ไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราในเวลาที่จะเสียชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าใจตอนนั้นคิดถึงเรื่องจิตก็จะน้อมนาเราไปในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็พาเราไปสู่สุกติ ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญไว้เยอะๆนะคะเป็นประสบการณ์ของดิฉันมากเลยก่อนที่คุณแม่จะสิ้นเนี่ยดิฉันก็พยายามนึกถึงคุณงามความดีที่คุณแม่ท่านเนี่ยได้ทำไว้โชคดีที่คุณแม่ เป็นผลงานทางด้านวิชาการของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพค่ะ เขียนหนังสือหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไว้หลายเรื่องเช่นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนศาสนาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมวิทยาวัตถุธรรมพจานานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทยอังกฤษอังกฤษไทยเป็นต้นหนังสือเหล่านี้เป็นเอกสารสําคัญสําหรับใช้ค้นคว้าและอ้างอิงอย่างยิ่งพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน ท่านอาจารย์เขียนเล่าถึงมูลเหตุจงใจที่ทำให้ท่านจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนไว้ในคำนำประจําเล่นที่หนึ่งในการพิมพ์แท้งที่สี่พุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบห้าตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุได้สิบเจ็ดถึงสิบแปดปีได้เคยอ่านพระไตรปิฎกซึ่งพระเทวรานุเทวะท่านแปลไว้เป็นสูตรไปอ่านแล้วก็เขียนย่อความสั้น ใส่สมุดไว้เพื่อช่วยความจำพระสูตรที่เคยอ่านมาแล้วนั้นมีสาระสำคัญอะไรบ้างอาจอ่านซ้ำได้อีกในภายหน้าต่อมาเมื่อได้เล่าเรียนภาษาบาลีเพิ่มเติมจนสามารถแปลพระไตรปิฎกได้เองจึงได้ทำงานชิ้นนี้โดยยอ่อพระไตรปิฎก45เล่มให้เหลือเพียง5เล่มทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาของตนเอง และเพื่อท่านผู้อ่านผู้มีความประสงค์จะทราบสาระสําคัญสําคัญแห่งพระไตรปิฎกทุกเล่มตามต้องการท่านอาจารย์ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทําพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนไว้ในการจัดพิมพ์ครั้งพุทธศักราช2501ว่าการจัดทําพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนขึ้นนี้เนื่องจากความปรารถนาที่จะได้เห็นพี่น้องผทธศด้ศึกชนชาวไทยได้อ่านพระไตรปิฎกคก หนึ่งรู้ความหมายและความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกตั้งแต่ต้นจนได้พิมพ์ขึ้นเป็นอักษรไทยพร้อมทั้งวิธีการจัดหมวดหมู่ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนสองรู้เรื่องที่สนใจซึ่งได้เลือกนํามาแปลไว้เป็นตอนๆเพื่อให้เห็นแนวคําสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสามบิดกสรู้ความย่อในพระไตรปิฎกแต่ละเล่มทั้งหมดสี่สิบห้าเล่ม เป็นการย่อที่พยายามให้ได้สาระสำคัญ 4. ได้อ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในประเทศไทยเป็นเอกสารซึ่งรวบรวมไว้เพื่อให้คนได้สะดวกไม่กระจัดกระจายเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนก็ด้วยต้องการทำงานชิ้นนี้ให้เป็นสมบัติสำหรับประชาชนให้มากที่สุด เพราะพระไตรปิฎกนั้นมีข้อความพิสดารมากมีถึง45เล่มขนาดใหญ่แม้แต่ผู้รู้ภาษาบาลีเองก็หาตัวผู้อ่านจบได้ยากถ้าใช้วิธีย่อความให้ได้สาระสำคัญไว้ให้ครบทุกเล่มก็จะเหมือนได้อ่านเองจบเล่มใหญ่แล้วตัดลัดเก็บใจความที่สาคัญไวได้อีกอย่างหนึง่งคำว่าพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงทำให้ง่ายสะดวกสำหรับประชาชนเท่านั้นยังปรารถนาจะนำประชาชนให้มีความรู้เข้าหาพระใยบิดกอีกประการหนึ่งด้วย<อ>คือถ้าเป็นท้องนิทานเป็นเรื่องเล่าจะพยายามทำให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นหลักวิชาการก็คงรูปสับให้เห็นแล้วแปลไว้หรือทำคำอธิบายกำกับไว้ในวงเล็บหรือในเชิงอัตะด้านล่างของหน้ากระดาษ สํานวนทางศาสนาบางธรรมก็จะคงไว้บ้างเป็นการจูงใจประชาชนให้คุ้นกับศัพท์หรือสํานวนทางศาสนาพอสมควรหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2501ถึง2จนถึงปัจจุบันวงเล็บปัจจุบันนะคะก็คือพุทธศักราช2537เป็นครั้งที่15รวมจํานวน 136,000 เล่ม หนังสือเล่มนี้มีลักษณะของหนังสือทางวิชาการโดยแท้จริงนอกจากมีสารบัญอย่างละเอียดแล้วยังมีสารบัญค้นคำอยู่ท้ายเล่มอย่างครบถ้วนอีกด้วยซึ่งมีประโยชน์ในการค้นคำศัพท์ทั้งไทยและบาลีที่บางครั้งไม่ได้ให้คำแปลกำกับไว้จะได้ทราบว่ามีคำแปลหรือคำอธิบายไว้ที่ไหนอันหนึ่งในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนนี้ในภาคห่าว่าด้วยบันทึก ทางวิชาการซึ่งน่าสนใจมากเช่นท่านบันทึกไว้ว่าสองจุดสามผู้สนใจในวิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยาโบราณาคดีและประวัติศาสตร์และได้รับประโยชน์จากพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนว่าด้วยพระวินัยจากหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดถึงหน้าสองร้อยแปดสิบแปดมากเช่นความรู้เรื่องเครื่องใช้ความเป็นอยู่การแต่งกาย การใช้เรือนไฟอบกายและเรื่องราวอื่นๆของประชาชนและพระพิสุในพระพุทธศาสนาเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว 6.2 เขามีหัวข้อนะคะคือเขายกมาเฉพาะบางตอนในบทในภาค5้าเรื่องการปกครองประเทศให้ได้ผลดีต้องจับปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยข้อความในกูตะทันตสูตรในเล่ม น, นี้หน้า301วรรคสุดท้าย สอนเรื่องการปกครองประเทศให้ได้ผลดีสามารถลดจำนวนโจนผู้ร้ายลงเป็นคำสอนที่นักรัฐศาสตร์สมัยปัจจุบันน่าสนใจก็คือทรงสอนให้จับปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญคือหนึ่งแจกพืชแ ก, ะกะ่เกษตรกรในชนบทที่อุตสาหะประกอบอาชีพสองให้ทุนแก่พ่อค้าที่อุตสาหะในการค้าสามให้อาหารและแค่าจ้างแก่ข้าราชการให้เพียงพอการแจกพืชแก่ชาวนาหรือเกษตรกรนั้น ย่อรวมถึงการช่วยสงเคราห์เกษตรกรด้วยวิธีอื่นด้วยการให้ทุนแก่พ่อค้าที่อุตสาหะในการค้าหมายถึงการส่งเสริมการลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองในสมัยก่อนพ่อค้ากับนักอุตสาหกรรมเป็นประเภทเดียวกันถ้าจะให้การค้าเจริญการอุตสาหกรรมรุ่งเรืองก็ต้องให้ยืมทุนหรือสงเคราะห์ในเรื่องทุนจึงจะขยายงานได้ ส่วนการให้อาหารและค่าจ้างแก่ข้าราชการนั้นในสมัยก่อนไม่ได้ให้เงินเดือนหรือค่าจ้างเพียงอย่างเดียวแต่แจกอาหารเช่นข้าวเปลือกหรือข้าวสารด้วยข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกบางตอนนี่เป็นย่อๆนะคะเจ็ดข้อเจ็ดยังพูดปดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่ละทำข้อหนึ่งคือการพูดปดทั้งทั้งที่รู้เราย่อมไม่กล่าวว่ามีบาปกรรมอะไรบ้างที่ผู้นั้นจะทำไม่ได้สิบสี่นะคะข้อที่สิบสี่สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ ดูก่อนพิสุทั is, ้งหลายภายในเรいいือนแห่งตระกูลใดบุตรบุตรบูชาบิดามารดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรมภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบุตรบูชาบิดามารดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีเทวดาคนแรกภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบุตรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาจารย์คนแรกภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตรบุตรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุคคลผู้ควรนำของมาบูชาคําว่าพระพรมคาว่าบุรพาเทวดาหรือเทวดาคนแรกคําว่าบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกคําว่าอาหุเนยะผู้ควรนําของมาบูชาเป็นชื่อของมารดาบิดาเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้คุ้มครองเลี้ยงดูบุตรแสดงโลกนี้แก่บุตร มาจากวิติวุตตะก ะ, ะนะคะยี่สิบห้าทับสามร้อยสิบสามแล้วก็ข้างบนก่อนหน้า น, นี้ที่เรื่องของพูดปดที่บอกว่ายังพูดปดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้จะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นั้นมาจากอิติวุตตะกะยี่สิบห้าทับสองร้อยสี่สิบสามนะคะพูดถึงถ้ามีไว้ประจําบ้านนีฉันว่าคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนแล้วก็มีเวลาก็นั่งอ่านเปิด ก็จะเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนจะชาวคริสต์เขาจะมีครมพีของพระเจ้านี่เป็นเล่มนานทาเลยนะติดตัวไว้ไว้ศึกษาไว้อ่านไว้อะไรชาวพุทธก็น่าจะมีบ้างนะมีแบบพระไตรปิฎกติดประจำบ้านไว้<ต>วหรือว่าจะเป็นฉบับสมหรับประชาชนของท่านอาจารย์สุชีบ้างก็ได้ดิฉันก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าก็คงอีกหน่อยก็คงจะไปหาเอาไว้เผื่อ มาอ่านอย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือข้อยี่สิบ้าที่เขายกตัวอย่างมหาสารปภะมะสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยแก่นไม้สูตรใหญ่พระผู้มีประภาประทับณเขาคิชกูฏใกล้กรุงราชครกตแต่แสดงพระธรรมแก่พิสูจน์ทั้งหลายถึงการที่ผู้ออกบวชได้ผลดีบางอย่างหรือทำความดีบางอย่างให้เกิดแล้ว มัวเมาประมาทยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งผลดีหรือความดีนั้นๆเทียบด้วยผู้ถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นไม้ว่าเป็นแก่นไม้ในที่สุดได้ทรงแสดงความหลุดพ้นที่ไม่กลับกําเริบว่าเป็นเหมือนแก่นไม้ต่อไปนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ทรงแสดงหนึ่งลาบสการะชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งและใบไม้ สความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้สามความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้สี่ญาณทัศนะวงเล็บความเห็นด้วยปัญญาเปรียบเหมือนกระพีไม้วิมุตติความหลุดพ้นเปรียบเหมือนแก่นไม้นะคะจะเห็นได้ว่าหนังสือพระไตัยบิดกสําหรับประชาชนได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้สนใจในพระพุทธศาสนาเกิดความสนใจศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระคำภีหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยกว้างขวางนับได้ว่าเป็นหนังสือทางวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งในสมัยปัจจุบันมีข่าวเป็นที่น่ายินดียิ่งว่าหมูลนิติมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรรัมภ์กำลังดำเนินการแปลพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม ในการดำเนินการเรื่องนี้แม้ทางมวยที่จะต้องลงทุนลงแรงมากมายเพียงไรก็ตามผลที่จะพึงได้ในอนาคตย่อมเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์ที่จะประมาณค่าไม่ได้ขณะนี้วงเล็บเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบกำลังดำเนินการอย่างเรียบเร่งรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วมั้งคะมีการบรรจุไว้ในสีดีรอมด้วยถ้าเกิดจาไม่ผิดจะมีข่าวออกมานะคะอย่างจะมีสถานศึกษาหรือยังไงเนี่ยคะ่ะที่เขาทาบรรจุ พระไตรปิฎกสําหรับประชาชนไว้ในซีดีรอมด้วยนะคะแล้วก็ซีดีรอมนั้นก็ได้รับรางวัลด้วยทีนี้มาถึงบทที่ชื่อว่าคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนานะคะเป็นบทย่อๆในบทที่ชื่อว่าวิชาการก็เป็นผลงานทางด้านวิชาการของท่านอาจารย์บทที่ห้าท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในคํานําหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนามีใจความสํำคัญว่า พระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนามีคุณลักษณะพิเศษบางประการชนชั้นทรงความรู้เป็นสัตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมักมีความสนใจและบางคนก็ยอมเปลี่ยนศาสนาของตนมานับถือพระพุทธศาสนาการเขียนเรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นส่วนพิเศษที่พระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นและชี้ถึงความดีงามอันประกอบด้วยเหตุผลซึ่งผู้อ่านอาจพิจารณาได้เอง ในการค้นคว้าหลักฐานจากพระไตรปิฎกทำให้ได้พบพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจและเป็นหลักๆ ห, หลายแห่งเช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเปรยวารณาพระองค์ในถ้ำกลางพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์พิจารณาทับท้วงความผิดพลาดของพระองค์และเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าประวัติไม่เฉพาะในด้านดีของพระองค์หากทรงเล่าประวัติในทางไม่ดีที่เคยผิดพลาดและได้รับผล ความเสียหายในอดีตก็มีเป็นการแสดงให้เห็นความตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งนอกจากนั้นการเขียนหนังสือเล่ม น, นี้เป็นเหตุให้ได้ค้นประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของกรีฑอย่างละเอียดเพื่อเทียบเคียงกับประชาธิปไตยของพระพุทธศาสนาประวัติการเลิกทาสของทุกประเทศ ตลอดจนตัวบทกฎหมายและเหตุการณ์เรื่องการเลิกทาดในประเทศไทยเที่ยวกับการสอนให้เลิกทาดทางพระพุทธศาสนาและเรื่องอื่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านอาจารย์ได้สรุปคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาไว้ดังต่อไปนี้ ฟังคะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันนะคะเพราะว่ามีข้อหนึ่งไปเรื่อยๆ เ, เ, เลยจนถึงข้อสิบสองเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ่านไม่ครบสิบสองข้อแล้วเดี๋ยวไปกินเวลาของใต้ร่มการสวพัฒนนะคะเพราะฉะนั้นคราวหน้ามาต่อกันสิบสองคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาที่ท่านอาจารย์สุชีปัญญลุภภาพได้สรุปไว้สิบสองข้อมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันค่ะ เรากำลังฟังหนังสือที่ชื่อว่าประวัติและงานของอาจารย์สุชีปุญญานุภาพนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ะระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์นะคะที่วัดเมนวัดเทพศรินทาวาสกรุงเทพวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2543จัดพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัม์เป็นที่ะระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงบรรเลงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาช่วงที่สองเป็นช่วงของหนังสือใต้ร่วมกาสวพัทค่ะ กับช่วงเวลาของรายการสวนอักษรนะคะหลังจากฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณสัชทอนกวางขดีอกแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเราก็รีบยกผลงานของท่านอาจารย์สุชีพปัญญุภาพมาอ่านนะคะเป็นหนังสือใต้ร่มกาศวพัฒนจัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์นะคะก็จัดพิมพ์โดยญาตินะคะที่จะแจกจ่ายกับผู้ร่วม ง, งานนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อเลยคุณไทรทอบอกว่า อ่านถึงบทที่เจ็ดบนฝั่งแม่คงคานะคะ<ม>ก็มาต่อกันเลยนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าท้าวความของบทนี้เป็นอย่างไรเป็นเรื่องของบุตรชายเศรษฐีที่มาบวช<ม>เล่าว่าทำไมตนเองถึงได้บวชแล้วก็พยายามที่จะขอมารดามาบวช มาบวชในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มาถึงบทที่เจ็ดบนฝั่งแม่คงคาคุณสายทรอ่านไปจิงแหน้าที่เจ็ดสิบหกแล้ว ลัทธิของท่านเป็นอย่างไรท่านบวชอุทิศใครและจาริกมาแต่แห่งไรขอจงกล่าวเพื่อเป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้าบ้างพระอุปชัยยะของข้าพเจ้าขยับกายเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าดูก่อนผู้บำเพ็ญพฤก่อนที่ท่านจะทราบหลักธรรมในศาสนาแห่งพระศาสนาของข้าพเจ้านั้นขอให้ท่านทราบไว้แต่เบื้องแรกว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสักรยามุนี ผู้ทรงพระนามว่าโคโดมโดยพระโคตระข้าพเจ้าจาริกมาแต่เมืองสาวัตถีอันตั้งอยู่เบื้องปราจีนแห่งอาสมบทนี้เหตุที่ข้าพเจ้าไม่กล่าวหลักธรรมในสัตถุศา ส, สนาของข้าพเจ้าก่อนแต่การแจ้งให้ทราบนามพระศาสดาและสถานที่ซึ่งจากมาก็ด้วยยังไม่แน่ใจว่าท่านจะพอใจฟังหรือไม่ แค่หากหลักธรรมที่ข้าพเจ้าจะกล่าวนั้นอาจขัดกันกันกบลัทธิของท่านจงกล่าวเถอะิพเจ้าเครารพมติของผู้กล่าวแต่ในการรับไว้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือไม่นั้นข้าพเจ้าเครารพมติของตนเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีฟังเพื่อประดับความรู้ความเห็นเสมอแม้คำกล่าวของท่านอาจจะขัดกับลัทธิของข้าพเจ้าก็ตามดีละท่านผู้บำเพ็ญพรต หลักธรรมอื่นๆจงยกไว้ข้าพเจ้าจะ ก, กล่าวเฉพาะที่เปรียบเทียบได้กับลัที่ของท่านเพื่อให้พิจารณาเทียบเคียงกันดูตามลัที่ของท่านซึ่งแสดงว่านามเป็นทุกข์มีแต่รูปอย่างเดียวก็พ้นทุกข์ได้เพราะรูปไม่ใช่ผู้รู้สึกสวยอารมณ์และผู้ถูกกิเลสครอบงำนั้นก็แยบถายอยู่แต่พระศาสดา ข, ของข้าพเจ้าไม่ได้บัญญัติทุกข์ เพลงที่รู้สึกด้วยใจิตใจเท่านั้นท่านตรัสว่าทั้งรูปและนามล้วนเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เมื่อรูปและนามเป็นทุกข์ผู้ติดในรูปก็ตามติดอยู่ในนามก็ตามหรือติดอยู่ทั้งในรูปและนามก็ตามย่อมชื่อว่าติดอยู่ในทุกข์ดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตพู้ติดอยู่ในทุกข์พระศาสดาของข้าพเจ้ากล่าวว่า จะพ้นไปจากทุกข์ไม่ได้เลยผู้บำเพ็ญญาด้วยปริกรรมภวนาในวายโยกสินหรือปริถินนากาสักกสินนายารูปแล้วติดอยู่ในรูปประจานเพื่อเกิดเป็นอสัญญาพรมก็ดีผู้นายรูปและติดอยู่ในนามคืออรูป ด้วยบําเพ็ญอรูปปัจจานก็ดีชื่อว่านายอย่างหนึ่งติดอย่างหนึ่งความติดความข้องนั้นไม่เป็นของประเสริฐเลยผู้ติดย่อมไม่มีอิสระผู้ติดย่อมไม่พ้นพระศ า, าสดาของข้าพเจ้าเมื่อทรงชี้ทางแห่งความพ้นกิ่งตรัสสอนไม่ให้ติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายอาสันมีพรหมผู้มีขันหนึ่งคือรูปปั้นเป็นพวก เอกะโวการก็ดีอรู ป, ปรภมผู้มีขันศีคือเวทนาขันขอโทษค่ะและวิญญาณะขังเป็นพวกจะตุโวการก็ดีจะคงอยู่ในพรหมโลกตลอดไปก็หาไม่เมื่อหมดกำลังแห่งครุ ก, กรรมฝ่ายมหันคตะคือชาแล้วก็จุติปฏิสนธิอีกในลำดับนี้ กรรมใดได้โอกาสกรรมนั้นย่อมนำให้ปฏิสนธิตามอำนาจของตนถ้าเป็นกรรมชั่วก็อาจนำให้ปฏิสนธิแม้ในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเพียงรู ป, ปรชาญและอรูปรชาญจึงไม่ชื่อว่าทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงยังมีโอกาสให้เวียนมาสู่ความเป็นผู้มีนามและรูปเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีก ตามมติที่ถือรูปเป็นสําคัญของท่านอาจมีมติที่ถืออรูปคือนามเป็นสําคัญท่านได้ว่าที่ว่านามเป็นตัวรับทุกข์เป็นผู้ถูกกิเลสครอบงํานั้นนามจะรับทุกข์หรือถูกกิเลสครอบงําได้ก็เพราะเหตุที่มีรูปหลังหากถ้ามีแต่นามอย่างเดียวโทษทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมีรูปจึงเกิดการกระทําชั่วทางกายวาจา เพราะมีตาหูเป็นต้นอันเป็นอายตนะประจำรูปปัะฉันจึงเกิดความยินดียินร้ายในเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเพราะมีร่างกายนี้ทุกเพราะความพัดพลาดจากของรักเพราะแก่เจ็บตายหิวระหายและความแข็งดีถ้าไม่มีรูปอย่างเดียวนามจะไม่ต้องรับทุกข์ร้อนหรือกังวลอะไรเลยทั้งนามจะไม่ต้องถูกดิเลบ ครอบงามอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรดับรูปเสียดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะผู้ที่ไหนรูปเห็นว่านามดีนี้ย่อมก้าวล่วงรูปประชานเสียบำเพ็ญ แ, แน่ๆอยู่ในอรูปประชานเพื่อผาสุกในทิฏฐ ธ, ธรรมและเกิดเป็นอรู ป, ปภพในสันปรายภพดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะแต่พระศาสดา ข, ของข้าพเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ทั้งรูปและนามเหล่านั้นเป็นทุกข์ด้วยกันรูปก็รับทุกข์ประจำรูปคือทุกข์กายนามก็รับทุกข์ประจำนามคือทุกข์ใจเมื่อนามรูปเป็นทั้งผู้รับทุกข์และเป็นตัวรับทุกข์คือทนตั้งอยู่ตลอดไปไม่ได้เช่นนั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข์แท้ บุคคลผู้ใคร้เจพนทุก์จึงไม่ควรจะติดอยู่ในทุกข์คือนามและรูปนั้นเพราะฉะนั้นในสัตว์ทุกศาสนาของข้าพเจ้าจึงมีสมาบัติที่พ้นจากรูปและอับรูปเป็นข้อสุดท้ายคือสัญญาเวทะยิตนิโรธวิหารธรรมอันดับสัญญาความจำและเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยไม่มีรูปหรือนามอะไรเป็นอารมณ์เลยผู้เข้าสัญญา เวทะยิตาเนโรจะไม่มีความติดความค้องอยู่ในเรื่องรูปหรือนามทุกอย่างเข้าใจไหมคะคุณผู้ฟังต้องค่อยๆฟังดิฉันก็พยายามอ่านช้าๆอ่านไปอ่านมาบางทีก็สลับกลับกันไปไปบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะส่วนเรื่องที่ว่าแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์จะสามารถชำระ ล้างบาปของผู้สนานกายได้นั้นเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยฟังมาแล้วมิใช่ครั้งเดียวเคยมีพราหมณ์ผู้ใหญ่บางคนชี้ให้ข้าพเจ้าดูท้องฟ้าในราตรีการละปักซึ่งจะแลเห็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับหมอกหรือกลุ่มควันขาวเป็นทางยาวจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปสู่ทิศตรงท้ามที่เรียกว่าทางช้างเผือก แล้วบอกแกข้าพเจ้าว่านั่นคือแม่คงคาสวรร์สายเดียวกับแม่น้ำนี้เป็นคงคาซึ่งหล่อเลี้ยงเทวาและมนุษย์ให้เป็นอยู่อย่างผาสุกเป็นคงคาซึ่งพระศิวะผู้เป็นเจ้าทรงไว้ด้วยเสียงกล่าวเพื่อให้กระแสะอ่อนลงไม่ท่วมท้นมนุษย์โลกและเป็นคงคาศักดิ์สิทธิ์อันผู้ลงสนานกายอาจพ้นจากบาปได้ ดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตข้อนี้จะเป็นจริงเพียงไรจงยกไว้พระศาสนาของข้าพเจ้าทรงแสดงว่ากายวาจานั้นจะทําให้สะอาดได้ก็ด้วยแม่น้ําคือศีลซึ่งลงอาบได้โดยไม่ทําให้ผู้อาบมีกายเปียกผู้รักษาศีลเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายเชื่อว่ามีกายสะอาดเว้นจากความประพฤติชั่วทางวาจาชื่อว่ามีวาจาสะอาดผู้มีกายวาจาอันสะอาดแล้วย่อมลอยบาปได้ น้ำทุกชนิดจะเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ก็กลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตามส่วนผู้ใดยังประพฤติชั่วทางกายวาจาอย่าว่าแต่จะอาบน้ำวันละสามครั้งเลยแม้ลงแช่อยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดวันก็หาชื่อว่ามีกายวาจาสะอาดไม่อีกประการหนึ่งถ้าแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ อาจทำให้ผู้ลงสนานกายพ้นจากบาปไปสู่สวรรค์ได้จริงแล้วมนุษย์ก็คงไปสวรรค์ได้น้อยกว่าสัตว์น้ําเพราะกบเขียดเต่าปลาตลอดถึงงูและจระเข้เป็นสัตว์เกิดในน้ําตามปกติแล้วถ้าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จริงสัตว์พวกนี้ก็คงบริสุทธิ์และไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์บางทีเทวดาในสวรรค์อาจล้วนแต่ ผู้มีชาติเดิมเป็นกบเขียดเต่าปลาแทบทั้งนั้นก็ได้ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าแสดงหลักธรรมในสัตถุศาสนาของข้าพเจ้าเฉพาะที่เปรียบเทียบกันได้กับลทัทธิของท่านโดยละเอียดแล้วขอท่านจงพิจารณาเทียบเคียงดูด้วยปัญญาอันชอบเถิด ดูก่อนพระดาเมื่อพระอุปช า, ยากยัก์ของข้าพเจ้ากล่าวจบลงนักบวชเหล่านั้นได้ประคองอัญชลีถามถึงพระบรมศาสดาว่าประทับอยู่ณที่ไหนเมื่อทราบว่าประทับณเชตวนารามเมืองสาวัตถีอันตั้งอยู่เบื้องประจีนแห่งอาสมบทนั้นแล้วก็พินหน้าสุทิพนั้นเปล่งคํานมัสการว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในการเดินทางกลับเราได้มีนักบวชเหล่านั้นร่วมทางมา